ขอกรา บ, บูชาพระรัตนตรัยขอกัาบบูชาครูบ า, าจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอกขราบครวะอาจารย์สงสินปอาจารย์วัฒนาชัยขอกขราบครวะเพื่อนสาธรมิกขอเจริญพรแมช่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรม ท่านอาจารย์รงศิลป์ก็ได้พูดรายละเอียดไปมากพอสมควรก็ขอสรุปมาลงตรงที่ว่าเรามาอยู่วัดป่าสุขโตเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำมากที่สุดเมื่อเช้าท่านหลวงพ่อคาเขียนก็พูดเอาไว้ก็คือมาเรียนรู้กายใจของเรานี่เองนี่เป็นภารกิจหลักการมาอยู่วัดป่าสุขโต ถ้าเราไม่ได้มาเพื่อภาร ก, กิจนี้ก็น่าเสียดาดยนะโดยเฉพาะผู้ที่บวชใหม่พระใหม่ถ้าไม่ได้ทําเรื่องนี้ไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้น่าเสียดายมากหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์นะหรือว่าผู้ที่มาปฏิบัติธรรมถ้ามาแล้วไม่ได้ทําเรื่องนี้น่าเสียดาย การเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจที่เราจะทำเนี่ยเป็นวิธีการง่ายๆไม่ยากไม่สลับซับซ้อนสิ่งที่เราเคยพบเคยเห็นเราก็จะคิดว่ามันเป็น เ, นเรื่องยากธรรมะนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องลี้ลับเป็นเรื่องสลับซับซ้อนเป็นเรื่องเข้าใจยากแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สามารถเรียนรู้ได้ ที่กายที่ใจของเราแต่เครื่องมือสําคัญที่เราจะมาใช้ก็คือความรู้สึกตัวภาษาพระเรียกว่าสติสัมปชัญญะแต่เราไม่อยากจะใช้ภาษาบาลีเท่าไหร่ใช้ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเหมือนตาในนะหลวงพ่อกําเขียนใช้คำว่าตาวิเศษ กายใจเป็นสิ่งที่ควรจะเรียนรู้กายในเราเห็นได้ง่ายแต่ใจในเราเห็นยากพูดถึงกายเนี่ยคืออะไรกายก็คือรูปร่างกายของเราแล้วก็การเคลื่อนการไหวรวมถึงอาการต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมาเช่นขณะที่เรานั่งอยู่นี้บางคนอาจจะปวดจะเมื่อย นะบางคนอาจจะเย็นอาจจะหนาวนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาแสดงเขาปรากฏให้เราได้เห็นการเรียนธรรมะเรียนตรงนี้ไม่ได้ไปเรียนในพระไตรปิฎกไม่ได้ไปเรียนที่คำหรู่รๆนะไม่ต้องไปเรียนภาษาบาลีอะไรเลยนะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นนะส่วนกายการมาดูกายบ่อยๆเนี่ย มันเหมือนเป็นการเรียกความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวชีวิตคนในปัจจุบันส่วนใหญ่เราไกลออกไปจากตัวเราเราไปเรียนรู้เรื่องข้างนอกมากเรียนรู้เรื่องสังคมเรียนรู้เรื่องประเทศชาติเรียนรู้เรื่องจักรวาลเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติสิ่งที่จะเกิดขึ้นมากมายก็เลยทำให้เราลืมตัว ลืมไปในเรื่องเหล่านั้นสิ่งที่เราลืมเราลืมตัวเราลืมกายลืมใจของเราใจคืออะไรใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นความว่างแต่มันมีอาการที่มันแสดงนะที่เห็นได้ง่ายๆก็คือความรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจนะนี่ก็คือสิ่งที่ปรากฏให้เราดูเรียนต่อไปตรงนี้ ดูก็ไปตรงนี้ใช้ความรู้สึกตัวเ้าไปตรงนี้ความรู้สึกตัว เ, เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้นี่คือความจริงที่แสดงให้เราเห็นและที่สำคัญที่สุดที่เป็นตัวก่อให้เกิดความสุขความทุกข์ก็คือความคิดโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ตั้งใจก็เรียกว่าความคิดปรุงแต่งโดยเฉพาะคนที่มีการศึกษามากส่วนใหญ่ เราเอาระบบการศึกษาตะวันตกมาเขาสอนให้คิดคิดมากๆคิดหายเหตุหาผลบางทีคิดมากจนเราคุมไม่ได้บางวันนอนไม่หลับคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านไปต่า ง, า ง, างๆนานาเราไม่มีเครื่องมือที่จะมาจัดระเบียบความคิดแต่ตัวความรู้สึกตัวนี่แหละจะมาจัดระเบียบความคิดซึ่งเป็นความรู้เป็นศาสตร์ทางตะวันออก ที่พทธเจ้าได้ค้นพบและปัจจุบันนี้ฝรั่งตะวันตกสนใจมากนะแล้วเขาก็พยายามจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้แต่มาะระดกเหล่านีนะ้ก็ถูกบทบังด้วยคำบาลีด้วยคำที่ส ล, สลวยสลับซับซ้อนมีพิธีกรรมต่างๆมีคำพูดต่างๆนะทำให้เราไขว้เขวทำให้เขา ไม่เข้าใจทำให้เราหลงทางว่ามันคืออะไรเป็นเรื่องที่เราจะเรียนรู้ได้ตรงๆไม่ต้องไปคิดมากการเรียนรู้เรื่องธรรมะเราไม่ต้องใช้ความคิดใช้ความรู้สึกตัวแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องที่ยากเราจะไปจับมันมาอย่างไง ครูบาอาจารยนะ์ก็หาวิธีการเช่นใช้คำบริกรรมบ้างใช้ลมหายใจบ้างาที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังกันมานะซึ่งวิธีเหล่านี้ก็ดีมีประโยชน์หลวงพ่อเทียนได้ทำวิธีเหล่านี้ผ่านวิธีเหล่านี้มาท่านก็พบว่าถ้าเราทำไม่ถึงที่สุดของมันก็จะติดที่ความสงบสงบนิ่งไม่รู้เรื่อง ท่านก็เลยพยายามมาเรียนรู้ใหม่นะใช้การเคลื่อนไหวเป็นเครื่องมือในการที่จะปลุกความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนั้นมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วในทุกคนแต่มันยังมีกำลังน้อยมันยังไม่เพียงพอที่จะเอามาดูกายดูใจท่านจึงหาวิธีการโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของกายเอาของห ย, ยาบๆเพื่อที่จะ เรียกความรู้สึกตัวมาอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนเมื่อเราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วมันจะพัฒนามันจะฉับไวขึ้นมันจะสามารถมองเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะก็คืออารมณ์ความรู้สึกความนึกความคิดสิ่งต่างๆที่ปรากฏภายในตัวเราเพราะฉะนั้นที่เรามาทากันโดยการยกมือ14จังหวะก็ดี การเดินจงกรมก็ดีเรามีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวก็คือจะปลุกความรู้สึกตัวที่มีอยู่ให้มันตื่นขึ้นถ้าจะพูดกันภาษาแบบคนยุ ค, ยคนี้หรือยุคที่แล้วม า, าจากว่าปลุกพระปลุกพระปลุกเสกพระพระคือความรู้สึกตัวเพื่อมามองความจริงที่ปรากฏจะเป็น กายก็ดีเป็นใจก็ดีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่มันแปลเปลี่ยนไปมันไม่สามารถบังคับบัญชาไดนะ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจเราปล่อยชีวิตไปกับวัตถุไปกับค่านิยมในสังคมเราก็หลงลืมเราก็เลยทุกข์ นี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายถ้าเราไม่ได้ทำเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการมาอยู่วัดป่าสก โ, โตเนี่ยนะแล้วเราตั้งใจมาศึกษาเรื่องพวกนี้นะขอให้เราตั้งใจนะทาดีๆนะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับประโยชน์นในการที่จะเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้ความจริงที่มีอยู่แล้วในตัวของเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราทำได้บ่อยๆมันคืออะไร ถ้าเราก็ใจความจริงนะเราก็จะไม่เผลอหลงนะไปในอารมณ์ในความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะแล้วก็จิตใจของเราจะคืนสู่ความเป็นปกตินี่คือเป้าหมายมันจะปกติทั้งกายปกติทั้งใจนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้กันสามวันก็ดีเ็ดวันก็ดีหรือใครที่บวชหนึ่งเดือนก็ดี อย่าไปทิ้งเรื่องพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งท่านอาจารย์รงศิลปก็ได้พูดไปแล้วเมื่อเช้าถ้าใครอยู่ฟังหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราอย่าหลงลืมเรามาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะอย่าลืมเรื่องพวกนี้อย่าเพิดเพลินอยู่อย่างสุขสบายมีอาหารเลี้ยงแต่เราอยู่อย่างสุขสบายแต่ไม่ได้ฝึกเรื่องพวกนี้ไม่คุ้มค่า อาหารที่ญาติโยมเขามาถวายเดียฉพาอพระที่บทใหม่ถ้ากินกินนอนนอนนี่น่าเสียดายมากนะแล้วเราก็จะเสียเวลาไ ป, ปเปล่าๆอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้นะตัวกรบผมเนี่ยตมาเองนะก็พยายามนะที่จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์และเป็นงานที่ตั้งใจเอาไว้นะว่าจะทา ให้กับตัวเองก่อนที่จะหมดลมหายใจถือเป็นงานชิ้นเอกของชีวิตที่จะเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจให้ถึงที่สุดแม้ว่าณวันนี้ยังไม่ถึงที่สุดก็ตามแต่ก็เห็นเป้าหมายเห็นจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนว่ามนุษย์เราเกิดมาเราไม่ใช่มีอาหารเพียงแค่กายแต่เราต้องเติมอาหารใจให้ด้วย อาหารใจคืออะไรก็คือสติคือความรู้สึกตัวนั่นเองที่จะทำให้จิตใจเราเป็นปกติจิตใจเนี่ยปกติอยู่แล้วแต่ที่เราไม่ปกติเพราะเราเผลอเราไม่รู้นะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญปัจจุบันนี้เราให้แต่อาหารกายแต่ไม่ได้ให้อาหารใจเพราะฉะนั้นมันเลยรู้สึกไม่อิ่มสักทีนะโลกทุกวันนี้ที่วุ่นวายสับสนกันเพราะ อิ่มต่กายแต่ใจไม่อิ่มก็วิ่งหากันเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้านะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนพวกเราเนี่ยได้หันมาให้อาหารกายและให้อาหารใจด้วยนะก็เป็นสิ่งที่อยากจะนําเสนอในในที่นี้นะก็สรุปสุดท้ายเนี่ยนะการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจใช้ความรู้สึกตัวไม่ใช้ความคิด และที่เราทํากันเนี่ยก็คือทําความรู้สึกตัวเนี่ยแหละแรกๆเราอาจจะยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรขยันทําไปเรื่อยๆนะเดินจงกรมสร้างจังหวะรู้สึกกับกายเคลื่อนไหวนะให้ได้บ่อยๆถ้ากายมันชัดเดี๋ยวมันจะไปเห็นใจเองนะอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดนะทำใหม่ๆอย่าไปสนใจความคิดอย่าไปสนใจเอากายไว้ก่อนให้รู้สึกที่กายชัดๆเดี๋ยวมันจะไปเองนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็อยากจะฝากเอาไว้นะแล้วก็อย่างที่ท่านจํานงสินพูดไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าก่อนที่จะสุกเนี่ยมันจะทุกข์ก่อนเพราะฉะนั้นวันสองวันแรกเนี่ยทุกข์ขนาดหนักแต่มันจะรู้แล้วว่าโอ้ชีวิตมันทุกข์ขนาดนี้แต่มันก็มีทางออกนะมันมีประตูพอเราเห็นทุกข์เราก็อ๋อเหตุแห่งทุกข์มันคืออะไรล่ะนะแล้วมันมีทางที่จะพ้นทุกข์อย่างไรอะ นี่มันจะเดี๋ยวมันจะเฉลยออกมาเองนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องเตรียมใจให้พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับความทุกข์นะที่จะเกิดขึ้นกับเราและเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถผ่านได้นะคนที่มาที่นี่แสดงว่ามีพื้นฐานมีบุญกุศลมาจึงได้มาถ้าไม่มีบุญกุศลคงไม่ได้มาหรอกนะคนหกพัล้านคนในโลกนี้มาที่นี่ประมาณ80ดสิบกว่าคนนะ ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะเพราะนั้นขอให้เราใช้เวลาให้คุ้มค่านะที่เราจะมาจะเจริญสตนะิมาปลุกความรู้สึกตัวด้วยการเคลื่อนไหวนะซึ่งเป็นวิธีการที่ทันสมัยยุคปัจจุบันมากเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ไม่ต้องนั่งหลับตาไม่ต้องใช้กรมบริกรรมใช้การเคลื่อนไหวเท่านั้นเองนะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะ เชิญชวนแล้วก็ท้าทายให้พวกเราได้มาพิสูจน์นะก็คงจะมีสิ่งที่จะนำเสนอเพียงเท่านี้นะในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระรัตนตรัยนะก็คือพระพุทธนะพระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติ ป, ปัญญาที่มีอยู่ในตัวเรานั่นแหละนนั่นะนะนะนะคือพระพุทธ พระธรรมก็คือความจริงนะที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละนะแล้วก็ประสงค์ก็คือการที่เรามาเจริญสตินะด้วยพระพุพะทธธรรมประสงค์ที่มีอยู่แล้วด้วยความตั้งใจของทุกท่านนะแล้วก็ความเพียรพยายามที่เรามีนะจงเป็นพระละวัปปัใจจัยให้ทุกท่านนะได้ประสบพบเห็นความจริงของชีวิตปลดเปลื้อง ความหนักอกหนักใจที่มีอยู่ทั้งในอดีตปัจจุบันนะให้บรรเทาลงไปนะให้มีชีวิตที่เป็นอิสระน่าจากความหลงที่เราเคยมีในเร ว, วันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร